อตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีเรามารวมกันอยู่ที่ศาลาการประเรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อมาฝึกใจให้ดีคำว่าใจดีนั่นใจส ง, งบไม่พุ่งซ่าน เทียงเรื่องว่าใจดีถ้าใจฟุ้งซ่านแล้วไม่จัดตว่าใจดีแหละเพราะมันเดือดร้อนมันคิดมากคิดถึงเรื่องอะไรต่ออะไรมันอุปมาเหมือนอย่างเครื่องจักรเครื่องยนต์เมื่อใช้มันมากมากมากเข้า มันก็อ่อนกําลังลงนะมันเป็นอยงั้นเครื่องมันก็ร้อนมากอืพวกรถสิบราะ อ, อะไรแบบนี้นะเขาวิ่งไปนานๆแล้วก็ต้องหยุดพักไปก่อนหยุดพักให้เครื่องมันเย็นแล้วจึงค่อยเดินทางต่ออย่างนี้นะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นนะจิตของคนเราเนี่ย เมื่อรู้ว่ามันยังใช้ความคิดอยู่มันยังพุ่งสร้างอยู่เนี่ยเราก็หยุดการเจริญปัญญาการพิจารณาสังขาร น, นามรูปอะไรก็ต้องหยุดไว้ซะก่อนต้องมาเพ่งจิตนี่ให้มันส ง, งบลงไป อันนี้แล้วจึงค่อยพิจารณาอะไรได้อันนี้ก็เคยแสดงอยู่บ่อยๆแล้วฉะนั้นให้พากันจำหลักอันนี้ไว้ให้ดีปกติจิตใจนี่เนะี่ยมันไม่ค่อยสงบเพราะมันยึดถืออะไรต่ออะไรมามันเป็นนิสัยปัจจัยติดมาแทรกาติก่อนนู่น มาชาตินี้ก็เป็นเจ้าความคิดคิดไปสารพัด ท, ที่มันคิดนั่นกับเพราะมันอยากนั่นเองแหละมันอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ก็อลองลองพิสูจน์ดูสิทบทวนดวูอ่ะพระพุพเทธเจ้ายัางกตรัสว่าตัณหาคือความอยาก มันเป็นเหตุให้ทุกเกิดขึ้นได้อันนี้มันเป็นความจริงทแท้ๆผู้ที่มาพิจารณาให้ละเอียดละเอียดถี่ถ้วนลงไปมันก็ย่อมเห็นประจักษ์แน่นอนทีเดียวไปสิ่งที่จะมาหยุดยั้งความคิดความอยากนานาประการดังกล่าวมานี่ มันก็มีอุบายอยู่หลายอย่างอุบายอันสำคัญก็คือนึกถึงความตายนี่นับว่าเป็นอุบายที่สำคัญอย่างหนึ่งสามารถที่จะยับยั้งกิจไม่ให้พุ่งซ่านไปต่างๆนานาเพราะความตายมันตัดรอนทุกสิ่งทุกอย่างเลย หมายความว่าต้องทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ยังต้องทอดทิ้งแล้วสิ่งภายนอกนั้นจะไม่ทอดทิ้งยังไงได้ล่ะแต่เมื่อจิตใจนี่มันหลงมันเมาหรือมันซ้ำคัญผิดคิดว่าตนยังไม่ตายง่ายก่อนตนจะต้องการอย่างนั้นอย่างนี้ให้ได้มาใสะสมอันนั้นอันนี้ไว้ าผู้ครองเลือนก็คิดว่าเมื่อตนตายไปแล้วลูกหลานก็ยังจะได้สืบต่อความรักลูกรักหลานมันเป็นเหตุให้ตันหาความทะเยอทะายานอยากได้อะไรต่อไรไม่มีสิ้นสุดเราพิจารณาดูเป็นความจริงหรือไม่เรื่องนี้ต้องให้พี่นาให้เห็นโดยตนเอง เมื่อมันเห็นได้โดยตนเองนั่นแหละมันจึงค่อยยอมรับอืมยอมรับว่าเป็นความจรเงอืนแต่บางคนก็ยอมรับแหละว่าความอยากมันก่อให้เกิดทุกข์จริงแต่ว่าทําอย่างไรได้เมื่อมันเกิดมาร่วมโลกกันแล้วก็จําเป็นต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน ต้องรักษาส ก, กุลมนชาติไว้ถ้าเราไม่หาไว้ให้เขายัางในลูกหลานเขาเจริญไว้ใหญ่โตมาเขาก็จะไม่มีอะไรเทียมทันเพื่อนตัณหานี่มันแตกหนอแตกกิ่งก้านสาขาออกไปสารพัดมันคิดอย่างนี้แล้วมันจึงค็ดิ้นลนถึงอายุมากเท่าไร ก็ยังไม่หยุดยัง้งเพราะว่าแต่ลูกแต่หลานไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนคนอื่นๆเขาเหมือนลูกหลานคนอื่นเขานี่เรียกว่ารักผู้อื่นยิ่งกลัวตัวเองยิ่งกลัวรักตัวเองนี่มันมันใช้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนให้เราต้องรักตนของตนยิ่งกว่ารักผู้อื่นดังพระพุทธภาษิต ท, ที่ทรงตรัสไว้ว่านัตถิอัตตะสมังเปบงังความรักเอื่นยิ่งไปกว่ารักตนไม่มีต้องเข้าใจพุทธภาษิตนี้ก็เมื่อไม่มีตนเนี้ยเราจะมีลูกมีหลานมาแต่ไหนล่ะแค่นห้น จะมีบ้านมีช่องมาแต่ไหนอ่ะกับพ่อมีตนนี่แหละจึงได้มีของหมู่นั่นบัดนี้เมื่อตอนไม่ทำดีตนไม่ละความชั่วมัวแต่ไปแสวงหาลาบยศบางทีมันก็ไม่ได้ทางสุจริตก็เอาทางทุจริตเพื่อตัวเองเพื่อลูกเพื่อล้านอะไรต่ออะไรไปแต่พึ่งจะพึพ่ ยอมรับบาปรับกรรมอันนั้นออย่างนี้นะชื่อว่าผู้ไม่รักตนหมายเขาว่าอย่างนั้นรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวเองยอมทำบาปยอมเสวยทุกข์แทนลูกแทนหลานเป็นอย่างนี้เสียสูญนมากนะคนนะในโลกอันเนี้ยดังนั้นเราเป็นชาวพุทธ พุทะไปว่าผู้ฉลาดผู้รอบรู้นั่นเมื่อเรารู้เราเป็นผู้ฉลาดอย่างนี้นะมันก็ควรที่จะมีอุบายสอนใจไม่ให้ความอยากมันมาครอบงำจิตใจนี่จนว่ายกจิตใจสู่บุญกุศลก็ไม่ได้มีแต่ความอยากท่มทนอยู่ในจิตใจอย่างนี้นะ แล้วประมาณนึกถึงความตายเป็นอารมณ์บัน้อา้าวเมื่อเราตายไปแล้วหากว่าไปทำบาปทำกรรมเพื่อผู้อื่นอย่างว่านี่นะแล้วตนไปตกนรกก็ไปคนเดียวลกูกหลานญาติมิตรเขาไม่ได้ไปด้วยเลยอไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกคนเดียวอันนี้มันต้องมีอุบายเตือนใจอย่างนี้ แล้วเมื่อตนทำตนให้เป็นทุกข์แล้วจะมีประโยชน์อะไร่ะวนันนี้นั่นไงลูกหลานเขาเราสบายสบายตนลดตายไปแล้วไปตกนรกทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้นะลองคิดดูให้ดีผู้ดใดคิดได้อย่างนี้เราเชื่อพระปัญญาตัตถะรูของพระพุทธเจ้าจริงๆว่ายอมเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้า ทองแสดงไว้จริงผู้ใดทำกรรมชั่วมากอย่างนี้นะมากพอแล้วกรรมชั่ ว, วมันก็นำไปสู่นรกถ้าทำกรรมชั่วไม่มากถึงขนาดนั้นมันก็นำไปเกิดเป็นเปรตถ้าต่ำกว่านั้นลงมาก็เป็นอสุรกายเป็นตัดิริชานมันเป็นอย่างในเรื่องกรรมเนี่ยสุดแรกแตใครทำมากทำน้อยเท่าไหร่ มันก็ให้เป็นทุกข์มากน้อยเท่านั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะเกิดมาในโลกนี้แล้วบุญกุศลหนหลังตกแต่งให้มีอวัยวะร่ า, รางกายครบถ้วนบริบูรณ์เป็นปกติ ด, ดีแล้วอย่างนี้แล้วก็มาใช้กายวาจาใจในธรรมชั่วพูดชั่วไปคิดชั่วไปเช่นนี้แล้ว จะมีประโยชน์อะไรหรอแกตัวเองทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าต่อไปพิจารณาลงไปอย่างนี้มันก็เห็นแจ้งได้ว่าไม่มีไ ม, มไม่มีประโยชน์อะไรแล้วมีแต่โทษมีแต่ทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นทุกข์เช่นบุคคลติดของเสพติดด้โทษติดสุรากัญชายาฟินเฮโรอีน แม้แต่บุหรี่นี่นะก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะมีแต่โทษต่อร่างกายสูบมากๆเข้าไปก็เป็นโรคตับโรคปอดเข้าไปเช่นนี้แล้วมีประโยชน์อะไรล่ะแม่สุรายาเมาของเสพติดอื่นๆก็มันก็มีเชื้อโรคอยู่ในตัวนั้นเลยนะมันไปทำลายอาวัยวะส่วนสำคัญสำคัญของร่างกาย ให้เสื่อมสภาพลงไปไม่มีกำลังแข็งแรงเช่นปอดนี่นะสำหรับมีไว้สำหรับหายใจเราหายใจอยู่ทุกวันนี่ก็อาศัยปอดนี่แหละคราวนี้เมื่อปอดมันวิบัติลงไปของเสพติดอะไรนั้นมันไปกินเอาปอดนี่ให้เสื่อมคุณภาพลงแล้วอย่างนี้ปอดมันก็ไม่มีกำลังจะหายใจแล้ววันนี้นะ น, นั่นและดังนั้นคนที่เป็นวันโลกเป็นโรคปอด น, นี่จึงไม่มีเรี่ยวแรงเลยอ่ อ, อนเพลียละเหียใจเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มอ่าหมู่นี้นะใหค้คิดดูให้ดีนั่นแหละไอ้คนเราน่ะมันลุกอำนาจแก่ตันหามันไม่เห็นโทษของความอยาก ความอยากไปในทางที่ไม่ดีความอยากเป็นไปเพื่อความเสื่อมของชีวิตควรละเว้นแท้ๆ แ, แต่บุคคลน่ะควรกลัวจะละความอยากอันประกอบไปด้วยทุกข์ดังกล่าวนี้ได้ก็ต้องพิจารณามันเห็นด้วยปัญญาข้อตัวเองเสียก่อนไปฟังแต่ผู้อื่นพูดแต่ละตนไม่ได้พิจารณาเห็นด้วยตนเองมันกลละไม่ได้ ข้อสำคัญจึงอยู่ที่ตัวของตัวเองคอยพากันเข้าใจเมื่อพิจารณาถึงความตายเข้าไปแล้วแล้วก็เชื่อต่อสุคติทุขติตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดังกล่าวมานั้นจริงอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็จะเกิดความสะดุ้งหวากรัวต่อความทุกข์ถ้าถ้าเรา เป็นชาวพุทธจริงๆนะมันก็ต้องเชื่อเพราะปัญญาตรัตู้ของพระเจ้าแล้วถ้าไม่เชื่อแล้วเช่นนี้มันก็ละตัณหานี่ไม่ได้ละบาปไม่ได้เลยอ่ามันละไม่ได้แล้วเมือม่อเมือมอม่อไม่เชื่อแล้วนะมันก็ปฏิเสธแล้วอืมไม่จริงไม่จริงไปอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันก็ทําไปตามหน้าแ้่ยความอยากนั้นอ่าอย่างนี้เลย ดังนั้นผู้มีปัญญาแล้วก็ต้องพิจารณาให้เห็นอเช่นการเบียดเบียนกันอย่างนี้นะพิจารณาเท่านี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นโทษมันจะนําทุกข์มาให้จริงเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนี่ที่มีชีวิตอยู่นี่ไม่ต้องการอย่างให้ใครมาทําลายชีวิตของตัวเองแม้สัตว์ตเล็กเล็กน้อยน้อยมันก็หวงชีวิตของมัน ดูถ้ามันหากินอยู่นั่นเป็นไง่ะถ้ามันไม่รักชีวิตของมันแล้วมันจะไม่หากินเลยมันจะปล่อยให้ตัวเองตายไปเท่านั้นเลยอย่างนี้นะแม้ตัวเองก็รักชีวิตตัวเองก็ต้องหากินอีกเหมือนกันกับสัตว์อื่นเมืเอ่อตนก็รักชีวิตของตนอย่างนี้แล้วแล้วบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เขาก็รักชีวิตของเขามันก็รักชีวิตของมันมันก็ไม่อยากให้ใครเบียดเบียนแล้วเช่นนี้เมื่อบุคคลใดคนหนึ่งไปเบียดเบียนผู้อื่นเข้าผู้อื่นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนตัดอื่นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นอย่างนี้นะเมื่อไปทําให้ผู้อื่นและตัดอื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วไอ้ทุกข์นั้นมันจะไม่มาถึงตอนนมันไม่มีเรื่องของเรื่อง ท่านอุกมาว่า่าเหมือนอย่างบุคคลปาคอนใจผาผนังอันแข็งแรงอย่างนี้นะเมื่อผาผนังมันไม่ทะลุคอนนั้นมันก็ย้อนกลับมาถูกหน้าผากเจก้าของนั่นแหละให้เจ็บปวดรวดเ่าอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเลยบุคคลทำกรรมชั่วลงไปแล้ว ทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะอย่างนี้แล้วความทุกข์นั้นมันก็ต้องย้อนกลับมาหาตัวผู้ทานั่นเองต่างแต่ว่าชา้าและเร็วเท่านั้นไม่ใช่ว่าพอไปทำให้ผู้อื่นสัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วความทุกข์นั้นจะมาสนองปุ๊บปับ๊บทันทีเลย บางอย่างมันก็สนองปัจจุบันได้ทันทีก็มีอยู่แต่บางอย่างน่มันไม่มีโอกาสจะสนองได้มันก็ติดตามไปอยู่นั่นแหละคำชั่วนะบุคคลเราจึงว่าแม่ทำคำชั่วลงไปแล้วก็ดูสบายสบายไปไม่เห็นเดือดร้อนอะไรอย่างนี้นะอ่ามันจึงนิงนอนใจมันจึงสำคัญว่าไอท่ทาบาป ทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นทุกข์ไม่ได้มาถึงตนหรอกอย่างนี้นะเข้าใจไปอย่างนั้นจึงได้ทําชั่วจึงได้ทําผู้อื่นได้รัดอื่นให้เป็นทุกข์เอยไปไปอย่างเงันเรื่องมันนะเมื่อเราพิจารณาโดยเหตุผลดังกล่าวมานี้แล้วก็ต้องเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าอลไวแบบนี้นะโอ้พระพงษ์เจ้ารู้ แจง้งแทงตลอดนั้นเป็นความจริงเนี่ยโดยเหตุผลแล้วแน่นอนนะอืมกรรมเหล่านี้ย้อมไปสร้างสถานที่ทรมาน ใ, ให้ให้บุคคลผู้ทํากรรมชั่วนั้นน่ะไปไ ด, ได้ได้เป็นที่อาศัยหมายความว่างั้นเลยนรกอัน น, น, นี้ไม่มีใครสร้างให้ใครนะไม่มีบาปกรรมที่ผู้นั้นทําเองเนี่ยสร้างให้เองอ อย่างนี้หลยต้องให้เข้าใจไม่เหมือนอย่างคุกตารางคุกตารางนี่ทางการเขาสร้างไว้อืผู้ดใดทําผิดกฎหมายแล้วเขาฟ้องร้องผคุยภากษาพิจารณาแล้วเห็นว่าผิดกฎหมายจริงปรับโทษให้ติดคุกเท่านั้นเดือนเท่านี้นปีเช่นนี้เขาก็เอาเข้าไปอยู่ในคุกนั้นอย่างนี้เลยแต่ นรกเมืองผีโน่นนะไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อผู้ใดตายลงไปกรรมชั่วมันมีกรรมชั่วมันก็ไปขยายนรกนั้นให้ก่วงออกไปอีกเมื่อสัตว์ตกนั้นรกมากเท่าใดกรรมชั่วนะั้นมันก็ขยายนรกให้ก่วงออกไปอีกอย่างนี้นะอืมไม่มีใครไปสร้างไว้ให้ใครหรอก แต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลทำบาปทำกรรมชั่วต่างๆแล้วนี่ตายแล้วไปตกนรกก็เหมือนกับเข้าสารยัดอยู่ในไท่ปันนั่นแหละมันแออัดกันอยู่เหลือเกินนะดังนั้นจึงควรกลัวควรกลัวต่อบาปต่อกรรมแท้ๆไม่ควรที่จะไปเหมือนเฉย ไม่น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาอ้าวแล้วทำไมยังย้ำแต่เรื่องนรกเรื่องทุกข์เหลือเกินอ้าวที่ย้ำอย่างนี้ก็เพราะคนส่วนมากไม่ค่อยกลัวบาปนี่นะนั่นแหละไม่ค่อยกลัวบาปแม่บวชเข้ามาเป็นพระเป็นเจ้าแล้วกว็าตามแลีละไม่กลัวบาปมีอยู่เยอะแยะเลย ไปล่วงศึกขาบทที่ไหนน้อยใหญ่อยู่นี่ก็มีอยู่ทมไปแล้วก็บางคนก็เกียดคราสไม่ล่วงทำที่ไหนก็จริงจะเกียดคราสไม่ปรารถนาจะทําความเพียรอได้บวชเข้ามาแล้วได้อยู่สุขสบายไม่ได้ทําการทํางานอะไรไม่ได้กำผลทนแดดอะไรเนี่ยคร หลงละเลงไปตามความสุขเหล่านั้นมีแต่ ก, แก่อนแล้วก็นินกินแล้วก็อนอนอยู่อย่างนั้นไม่มีอุบายแยบคลายในใจเลยอเมื่อโครคภัยไม่เบียดเบียนอกินก็ได้นอนก็หลับอยู่นั้นนแล้วก็เลยถือว่าตนสบายซะอย่างนี้นะเราขี้เกียจคิดอย่างน้นอย่างนี้พิจารณา ว่าทั้งขานไม่เที่ยงเอาไม่เที่ยงยังไงตนสบายอยู่อ่ะไม่เห็นมันเจ็บหัวปวดเข่าปวดท้องอะไรเลยนี่อาศัยความสบายชั่วคราวอันนี้แหะเป็นเหตุให้คนเราประมาทไม่พิจารณาอะไรความจริงอะไรในร่างกายนี้เลยไม่พิจารณาถึงความตายซ้ำนึกว่าตนจะไม่ตายง่ายอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละ ก็เมื่อหากว่าเป็นเช่นนั้นมองไม่เห็นว่าตนสบายๆอยู่เนี่ยก็ลองทบทวนดูคนอื่นที่ตายมาแล้วบ้างเป็นไงอ่ะบางคนกินได้นอนหลับดีๆอยู่นี่เนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะมีโรคภัยอะไรเบียดเบียนเลยอย่างนี้นะ ป๊บปั๊บก็หัวใจวายตายลงไปเลยอย่างนี้ก็มีท้อไปอ่ะทุกวันนี้ยิ่งไหลนั่นแหละบางคนก็นอนหลับไหลไปเหลือไปแล้วก็เลิ่มเออไปแล้วตายไปเลยก็มีอย่างนี้นะอืมและทั้งอยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางนี่แหละก็มีวัยแก่ก็มีอันตายปัจจุบันทันด่วนอย่างนี้นะอ้าบางคนอยู่ดีๆเนี่ยถ้าถูก เขามาันยิงเอาตายเสียงนี่น ะ, ะแล้วญาติพี่น้องหรือลูกหลานหัวอา้าวเพื่อไม่ได้ไปทำให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนน ะ, ะไม่มีปรากฏว่าไม่มีประวัติเสียหายอะไรหวางอันนี้อันเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันสลับซับซ้อน ถ้าบุคคล น, นั้นไม่ได้เบียดเบียนใครเป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้แต่ชาก่อนนั้นได้เบียดเบียนคนมาได้ทําคนให้ล้มให้ตายมาแล้วกรรมนั้นตามมาทันในขณะนั้นมันก็เลยบันดาลให้บุคคลผู้นั้นะทําอะไรพูดไปกระทบกระทั่งผู้อื่นนิดหน่อยเท่านั้นแหละอาศัยแรงของกรรมชั่วแต่ก่อนนั้นแหะ ตามมาสนับสนุนเอาทำให้ผู้นั้นเกิดโทสะพยาบาดอย่างรุนแรงถึงกับจ้างมือปืนมายิงให้ตายซะเลยอย่างนี้ก็มีนะเพราะนั่นนี่ลองคิดดูดิเรื่องความตายนี่นะเราจะไปไว้ใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่ตายโหงบอกหรือเราจะไม่ตายแต่ยังหนุ่มยังวัยกลางคนเหรอว้แก่เราถึงจะตายอย่างนี้นะ มันไม่ได้ดอกตอนนั้นเราจะไปคิดอย่างนั้นเลยเพราะว่าอนาคตนั้นเรารู้ไปไม่ได้เลยเราไม่สามารถมีญาณอย่างรู้ว่าเราจะตายอายุเท่านั้นจึงจะตายเท่านี้จึงจะตายอย่างนี้นะมันคำนวณไม่ได้เลยดังนั้นอย่าไปไว้ใจในชีวิตกิจอะไรที่ควรทำก็รีบทำเข้าไปที่ให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น เหมือนอย่างกระสาตดาทรงตรัสภาษิตตอนที่พระองค์จะปรินิพพานนั่นแหละที่ก็เคยนำมาแสดงสูกันฟังอยู่บ่อยๆอยู่อิอทธิศูนทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้ทงหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอ่อเช่นนี้แนละ้พวพระองค์ก็งับพระโอษฐ์เลยไม่ตรัสอะไรต่อไปอีกแล้วต่อจากนั้นก็เริ่มทมอุบายแยบคายเข้าสู่นิพพานเท่านั้นเองเหตุนั้นปชิมมะโอวาดนี่จึงชื่อว่าสำคัญมากสำคัญยังไงอ่ะสำคัญว่าพระองค์ได้ทรงพิ จรณาเห็นแล้วว่าบุคคลใดติดอยู่ในความสุขทั่วคราวเมื่อบุญกุศลตกแต่งร่างกายได้มาให้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ดีอย่างนี้แล้วก็วมีแต่เพลิดเพลินมัวเมาอยู่เฉยๆไม่ทำความเพียรละกิเลสปาปธรรมออกจากจิตใจอย่างนี้นะอ่า ผู้นั้นก็เชื่อว่าไม่มีที่พึ่งอยู่ในใจเลยไม่มีบุญไม่มีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในใจเพราะว่าบุญคุณย่อมเกิดจากใจใจสร้างขึ้นถึงมีได้ถ้าใจไม่สร้างขึ้นมาไม่มีหรอกอา้าวกายนีมันทำหอกายทากับใจนั่นแล้วใช้ย่ะใจไม่ใช้กายก็ไม่ทำทำความดีต่างๆเช่นอย่างว่าทาบุญทำทาน ด้วยวัตถุสิ่งของต่ามงมวกนี้นะถ้าใจไม่เชื่อทานว่ามีผลแล้วมันก็ไม่ใช้กายทำแล้วมันจะได้บุญยังไงล่ะนั่นนะรักษาสินก็เหมือนกันนะถ้าไม่เห็นคุณค่าของสินว่าเป็นเครื่องระงับบาปสกัดกั้นบาปไม่ให้เกิดขึ้นในตนไม่เห็นอย่างนี้นะผู้นั้นก็ไม่รักษาสินเลยเืีเรักษาไปทาไมมีประโยชน์อะไร มันไม่เห็นเหตุผลในเรื่องการรักษาสินนะมันเป็นอย่างนั้นผู้ใดเห็นเหตุผลแล้วโอ้พระพุทธเจ้าบัญญัติสินไว้ในข้็ขห้าไม่คนเบียดเบียนกันการเบียดเบียนกันมันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ตามสนองไปเบียดเบียนกันไม่รู้จักจบจักสิน้นโอ้ออก็องค์เจ้าสงสารสัตว์โลกคิงได้บัญญัติห้ามไว้ผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็รักษาสินให้บริสุทธิ์แล้วคนนี้นะ ไม่ยอมร่วงแนละ้วกลัวบาปกลัวเป็นกรรมเป็นเวรจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้แหละไอ้คาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลที่จะให้บุคคลผู้มีวิจารณญาณน่ะนะเพิจารณาเห็นแจ้งด้วยตนเองได้เลยไม่ใช่ว่าพราะองค์เจ้าสอนให้เชื่อตำตามไมปเฉยๆนะโดยที่เราไม่ได้เห็นเหตุหผลอะไรอย่างนี้ ก็เชื่อตามคำสอนของพระองค์ไ้เฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นนี่เช่นไหวพระภาวนาอย่างนี้นะมันก็มีเหตุผลอยู่มีเหตุผลอะไรวะเหตุผลก็การภาวนาเนี่เป็นการฝึกจิตให้สงบระ ง, งับโดยตรงถ้าไม่ฝึกจิตให้สงบไม่เข้มไม่ทำจิตให้เข้มแข็งก้าหาัน มันกตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหายัางตัางกล่าวมาแล้วนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นีน่ไอ้บุคคลที่เกติคลานไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาก็จึงได้ตกเป็นธาตุของความโลภความโกรธความหลงแล้วกิเลสตัว น, นี้ก็บันดานให้ข่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาต ด, ดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีน ต, ต่างๆ ถ้าเป็นนักบวชก็ร่วงทำร่วงวิในทำตนให้เศร้าหมองขุนมัวไปไม่บริสุทธิ์อยู่ได้ในพรหมจรรย์นี่การที่ไม่ฝึก จ, จิตใจให้สงบระ ง, งับไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นมัก็มีแต่ตกเป็น่าแห่งกิเลสตัณหานั่นแหละให้พึงเข้าใจ ไม่ว่านักบวชไม่ว่ากระเรืองหัดไอเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเวทน่ะเหมือนกันหมดเลยแหละไม่ใช่นักบวชแล้วทำบาปจะไม่เป็นบาปได้นี่เนื่องจากว่าไม่เชื่อว่าบาปกรรมจะตามสนองให้เป็นทุกข์ในโลกนี้โลกหน้านึงแล้วก็ไม่ ไม่มั่นนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่นะจึงได้เพลิดเพลินมัวมาไปกับกิเลสตัณหาสารพัดนั่นแหละเป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรมถ้ามานึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่แล้วถ้าจะนึกให้พิจารณาออกไปอีกก็คนพิจารณาเห็นว่า ไอ้ที่เราเกิดมาในชาติปัจจุบันนี่นะอายุของมนุษย์นั้นน้อยเต็มทีไม่ถึงร้อยปีล่ะตายส่วนมากนะที่ถึงร้อยปีนมีน้อยที่สุดเลยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีจะนมนานอะไรอันเกิดมานี่นะไม่นานนะถ้าเทียบกับบุคคลท่านบุมีอายุยืนบางยุคบางสมัยแล้ว เที่ยวหนึ่งของท่านก็ไม่ได้สำหรับเลยที่เราเกิดมาในโลกนี้นะเอาแค่ว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสปะที่ก่อนพระศาสนาของพุทธเจ้าของเราเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอได้เทียบกันแล้วในคนในยุคนั้นน่ะอายุยืนสองหมื่นปีเราคิดดูนี่แหละ แล้วอย่างนี้นะในมายุคนี้นะ่ะอายุคนว่าอย่างมากกับร้อยปีเนี่ยเราเทียบสองหมืนปีกับร้อยปีเทียบกันดูสิได้เที่ยวหนึ่งเท่านั้นเองนะอายุของคนสมัยปัจจุบันนี้นะแล้วเมื่อเมื่อมามาเทียบดูอยงนี้แล้วมันก็จะได้มองเห็นว่าเออชีวิตนี่น้อยเดียวเลยเราไม่ควรที่จะ ใช้ชีวิตอันมีประมาณน้อยเท่านี้ไปทํากรรมชั่วหรือไม่ควรที่จะเกียจค้านทําความดีออย่างนี้นะมันก็เตือนตนได้แล้ววันนี้มองเห็นแล้วเราอาศัยชีวิตมีประมาณน้อยนี่เนี่ยเล่งทําความดีเข้าไปเล่งสํารวมกายวาจาจิตของตนให้ตั้งอยู่ในบุญในคุณให้ได้ แล้วเมื่อเวลาความตายมาถึงเข้าตนจะไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรไม่ได้วิตกวิจารก่อนจะตายว่าโอ้เรานี่อายุน้อยเดียวเท่านี้ก็เวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่ทำความดีไม่ลากความชั่วเนา ะ, ะชั่วก็ทำดีก็ทำในที่สุดตนก็จะได้เสวยผลทั้งสองอย่าง ทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีก็ตายก็ไปเสวยทุกข์ก่อนอเมื่อหากว่าได้ทำความดีมากกว่าความชั่วเช่นนี้ตายลงไปก็ต้องสวยความสุขก่อนเสวยทุกข์เมื่อหมดเขตของบุญที่ทำนั่นแล้วบาปก็ให้ผลสืบต่อผู้นั่นก็ได้ประสบความทุกข์ต่อไป ถ้าคิดเห็นอย่างนี้คิดได้อย่างนี้นะบุคคลนั้นมันก็ไม่ทำบาปเลยวันนี้เพราะว่าทัางมีอายุสั้นด้วยแล้วกระทั่งได้ไปเสวยทุกข์ในโกนานแสนนานด้วยแล้วอย่างนี้การทำบาปไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ทุกข์แต่โทษ อ, อันนี้นะควรพิจารณาแท้ๆนะผู้เป็นชาวพุทธทั้งหลายนะ ทั้งนักบวชทังกระลือหัดนั่นแหละควรพิจารณาจริงๆนักบวชนี่ยิ่งต้องพิจารณาให้มากเลยเดียวเพราะว่าผู้มาเป็นนักบวชนี่มันต้องเห็นทุกเห็นภัยในการครองเรือนในการประกอบอาชีพของผู้ครองเรือนทั้งหลายว่ามันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษการคลองเรือนนี่ส่วนมาก มักจะทําบาปทากรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้อืผู้มีปัญญาจึงได้หนีสละบ้านเรือนออกบวชกันทําตัวเป็นคนมักน้อยสันโดษชอบสังกัดการเป็นนักบวชต้องเป็นอย่างนั้นนี่ต้องมีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในใจถ้าเป็นคนมักมากขึ้นเช่นนี้บวชไม่ได้ยังบวชมาเนี่ยนะโดยเฉพาะบวช ชนิดที่จะอรัญวาสีอยู่ในป่าเนี่ยันเข้ามือเดียวอย่างนี้นะก็ยิ่งยิ่งไม่มีใครสามารถมาบวชเลยถ้าไม่มากน้อยถ้าเป็นคนมากๆนะบวชไม่ได้จริงๆรนะอย่างนี้นก็เมื่อเป็นผู้มากน้อยเอาละเราพิจารณาเห็นแล้วว่า การเป็นคนมากๆในอยู่ครองเรือนมันก็ต้องหาอะไรก็ต้องหามากกินก็กินมากนอนก็นอนมากใช้สอยอะไรก็ใช้พุ่มเฟ้ยผ้านุ่งผ้าหม่มอันใดก็ไม่รู้กี่ชุดแต่ละคนน่นนะอต้องหาเงินหาทองอย่างเส้นลําบากรกรากรำกลัวจะได้เงินทองมาซื้อผ้านุ่งผ้าหม่มซื้อเครื่องประดับทองหยองต่างๆหมู่นี้นะ เป็นภาระอันหนักแล้วเกินนะผู้ครองเรือนนะภาระนื่งจาหาเงินหาทองนี่แหละเอ้าเห็นเขามีรถคันงามๆขิมาขกกี่ก็อยากได้รถเดินหาเงินมรดกพ่อแม่แบ่งไว้ให้เช่นนาสวนที่บ้านก็ดีหรือว่าทองรูปพันธ์อะไรของเก่าของแก่ เอาไปขายได้เงินมาได้เงินมาแล้วเอาไปซื้อรถมาคีอย่างนี้มีอยู่มยัมไปไม่คิดถึงเลยว่าไอ้ขายที่นาที่บ้านอย่างนั้นแล้วลกูกหลานจะไปอยู่ที่ไหนไม่คิดแล้ว อ, อย่างนี้นี่แหละบคุคคลผู้ที่ไม่นึกถึงความตายนะมันทำให ตัญนหาขยายตัวออกออกแม่แท้ลูกไปเยอะแยะเลยปรเดี๋ยวมีแต่เรื่องก่อความทุกข์ให้มันเป็นอย่างนั้นผู้ใดพี่นาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงออกมาบวชผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้ได้แล้วมาบวชนะมากจะทนทานเนี่ยอยู่ได้ผู้ใดคิดว่าวการงานใน บ้านนี่มันหลายเหลือเกินมันมากขี้เกียจทำล้วไปบวชอยู่ดีกว่าไม่ต้องทำการงานอะไรอยู่สบายดีอย่างนี้นะเช่นนี้แล้วก็หนีมาบวชคนผู้เช่ น, นั้นมาบวชเป็นพระเป็นเจ้ากบวชมาแล้วก็เกียดค้านแล้วระเบียบข้อปฏิบัติ อันใดเพื่อนตั้งไว้วางไว้ก็ไม่อยากทาตามนะอคอยหาทางหลีกเลี่ย ง, อ ย, ง, งอย่างนั้นแหละทําก็แปะแปะบางๆไปอย่างนั้นไม่เอาจริงเอาจังนี่ไอความนิมาบวชของคนเราความเบื่อการคลองเรือนมันก็มันก็แตกต่างกันนะออบางคนที่เบื่อการคลองเรือนแลว้ววะ น, นี้เห็นว่า การคองเรือนนี่มันเป็นเหตุให้ทาบาป ท, ทากรรมไม่ใช่เป็นทุกข์ธรรมดานะทุกการทุกงานธรรมดาไปได้ทำบาป ท, ทากรรมตายแล้วไปตกนรกอบายภูมิผู้ใดมาคิดเห็นอย่างนี้เลาออกมาบวชนั่นเออผู้นั้นขยันหมั่นเพียรเนนะี่ยเพราะว่ามาบวชแล้วบาปกรรมมันก็ติดตามมานี้บาปกรรมที่ตนทำก่อนมาบวชนะั่ะไม่ใช่ว่า ตนมาบวชแล้วบาปกรรมมันจะไม่มาด้วยหาไม่ได้มันติดตามมาเนี่ยดังนั้นเราต้องมาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาละมันนะอ่าอย่างนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี่นี่กูเข้ามาบวชแล้วถ้ามีความเห็นถูกเห็นชอบอย่างนี้มันก็ได้ผลจริงๆแหละบาปกรรมที่ทํามาแต่ก่อนก็หมดไปแล้วก็ไม่สร้างบาปใหม่อ่า ใส่ตัวเองไว้เช่นนี้จิตใจมันก็บริสุทธิ์จากบาปจากโทษนะเมื่อจิตใจบริสุทธิ์จากบาปจา ก, จากบาปโทษต่างๆและภาวนาทำจิตให้สงบระงับมันก็ทำได้ได้ง่ายมันก็ไม่ยากไม่ลําบากเท่าไหร่เพราะไม่มีบาปมารบ ก, กวนให้เข้าใจอ น, นนี้แหละการละบาปนี่นะ มันเป็นอุปกรณ์ของการเจริญสมาธิภาวนาไม่ว่าครือขัดหรือ ว, ว่านักบวชถ้าใครกลัวบาปกลัวทุกข์ภายในวตาสงสารทั้งชาตินี้ชาติหน้าแล้วก็พึ่งสำรวจกลวว ด, ดูตัวเองว่ายังละบาปอะไรไม่ได้แล้วก็พยายามละบาปอันนั้นเสียให้ได้แล้วตั้งใจภาวนาชำระ บาปกรรมความชั่วทั้งหลายที่มันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี่มานมนานให้หมดไปสิ้นไปแล้วกิเลสมันก็จะน้อยบอบางไปโดยลำดับเลยแบบนี้นะอือบุคคลก็จะมีแต่ทําอะไรก็เป็นแต่บุญแต่กุศลเรื่อยไปแต่เมื่อบาปมันถอนออกไปจากจิตใจแล้วบุญกุศลก็จะชาระใจที่เศร้าหมองให้ป่องใสสะอาด ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา